ขอความสุขความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเชยงธรรมจากหมหาวิทยลาลัยศรีประทุมในวันนี้ก็คงพูดเรื่องอายุสมะโอสัตย์กนสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยพลังแห่งอิทธิบาททั้งสี่ประการที่ต้างหากว่า บุคคลมีการเจริญอย่างต่อเนื่องนอกจากจะเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลได้แล้วยังสามารถที่จะยืดอายุให้ดำรงอยู่ชั่วกับหรือเกินกว่ากับที่พระพุทธเจา้าทรงแสดงแก่พระอ น, นุลในขณะที่เสด็จประทับอยู่ที่ปาวาลเจดี คือข้อความตอนนี้เรามีความชัดเจนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญกลางเดือนสามในตอนแรกพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กูตาคันชาลาป่าหมาวันหลังจากสเสบยพระัาหารแล้วรับสั่งให้ปราณุนถืออาสนะตามเสด็จไปที่บาวาลิเจดี ซึ่งก็อยู่ในเมืองไพ่สลีนั่นเองทีงนี้นถ้าเรามองย้อนเหตุการณ์ย้อนกลับไปน้อยหนึ่งเรจะพบว่าในช่วงพรรษาเนี่ยวิชาส่งไปชวนส่งไปชวนที่ค่อนขน้างหนักกับ พระนุนเองก็ไปคิดว่าอย่างไงๆเนี่ยพระเจ้าคงไม่ไปนิพพานเพราะว่ายังไม่ได้ประลบอะไรกับพระสงฆ์ก็เป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในมหาปรินภานสูตรแต่ในพระสูตรนี้เป็นการเล่าถึงในช่วงที่พระเจ้ารับสั่งเล่าถึงพระนุน แสดงความรื่นรมสวยงามของสถานที่ต่างๆเช่นว่าอุเทนเจดีน่ารื่นรมโกตมะเจดีน่ารื่นรมสัตตมตัตับพระเจดีน่ารื่นรมอุปุตตะเจดีน่ารื่นรมเป็นต้นตลอดถึงปาวาลเจดีแดยประสงค์แสดงว่าถ้าบุคคลเจริญอิทธิบาท โดยสงใช้คำว่าอิทธิบาทสี่ประการบุคคลท่านผู้ใดเจริญได้แล้วกระทำไม่มากแล้วกระทำให้เป็นญาณดาุจญาณให้เป็นที่ตั้งมั่นคงแล้วสั่งสมแล้วประรบดีแล้วท่านผู้นั้นถวังอยู่ถึงนบรงอยู่ได้ตลอดกลับหรือเกินขวดกลับแล้วกรับสั่งถึงสถานะของพระองค์ว่า ดูก่อนพัะนนร อ, อิทธิบาทสี่ประการเนี่ยตาตาคดได้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุดยาให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมแล้วประรบดีแล้วตาาคตหวังอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับด้วยเกินกว่ากลับรับสั่งหลายครั้งพระนรนท่านไม่ได้เฉลียวใจอะไรก่นในสุดก็รับสั่งให้พระนรนออกไป นี่ตอนที่พระนนออกไปเนี่ยพระยา ม, มานหรือวัสวัตตีมานซึ่งเป็นประมุก ข, ของเทวดานบนสวรรค์ชั้นประนิมนมิตรวัสวัตตีมานตัวนี้ที่ตามประจุพระพุทธเจ้ามาตลอดตั้งแต่ห้ามเฉลจออกผนวดแล้วก็มาประจุตอนที่ประมังเกิสัสรุแล้วก็หลังจากสัสรุไปแล้วนะฮะตอน สเสด็จประทับอยู่ที่ที่ต้นเนี้ยต้นใสเชื่อเถปานิคโครธเนี่ยหรือถ้าเราดูช่วงนี้มานปรากฏเนี่ยสองครั้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นการขอร้องไม่ให้ประกาศธรรมะที่โปรองแจสรูแก่ชาวโลกเมื่อพระพุทธเจ้าสรงปฏิเสธก็มาใหม่ มาขอร้องให้พระพุทธเจ้านิพานเพราะในการตรงนี้ก็อยู่ช่วง น, นี้ที่จริงตรงนี้ถ้าเราไปดูต้องไปดูหลายแห่งหรือถ้าดูในมารสังยุตในสังยุตตนิกายร็พบว่าหลังจากพรายมานมากราบทูลให้พระพุทธเจ้าหยุดการแสดงธรรมะแก่ชาวโลก พระพุทธเจ้าป็นเสษก็ไปนั่งซบสเศ้าจอดจุกหมดอะไรตายอยากอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้ามันก็สแสดงชัดเจนว่ามารตัวนี้เป็นเทวคุตมานไม่ใช่เป็นพวกกิเลสสมารคือถ้าใครไปพูดเป็นกิเลสล้วก็ยุ่งกันหมดอะเพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะรู้ผ่านมาแล้วในสัปดาห์ที่แปกิเลสหมดไปตั้งแต่นู้นนะะตั้งแต่บรรลุอสวรยาน คือการศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะต้องมองข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์ซึ่งมันเกี่ยวกับกา ร, ะกระละเทศะกลุ่มคนบุคคลเหตุการณ์กรมีต่างๆมันมากมายคำว่าประวัติศาสตร์แล้วข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะเราต้งข้อเท็จจริงในแง่ของปฏิหาร ว่าะเนการณ์าประวัติศาสตร์ช่วง น, นี้เป็นช่วงที่พระพุทธเจ้ามีพระชนพรรษาเกือบครบแปดสิบปีเต็มะนะแต่ถ้าเรามองดูให้ดีว่าตองกลางเดือนสิบสองเนี่ยประสาทิบุตรนิพพานเป็นประสาริบุตรนิพพานที่เมืองนาลันทาแล้ว พระยุทธากัานํำอธิธาตของพระสารีบุตรมันถวายพระพุทธเจ้าที่พระเวฬุวันแล้วก็สิบเดือนสิบสองเนี่ยพระมกกระลานิพพานนิพพานที่กาลัสิลาที่ภูเขาอิสิคิลิคือในถ้ำชื่อกาลัสิลาที่ภูเขาอิสิคิลิในกรุงราชชกุล การแสดงเรเห็นว่าข้อความในมหาปริญญาสูตรบันทึกไว้ไม่ทั้งหมดหรือถ้าเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรอยู่ในพันษาระหว่างพันษาเนี่ยต็หงายความมาการเดือน8ถึงกางเดือน11เระทรงประชวนอยู่ที่เมืองไัยสัลีเพราะาการประชวรก็ยังไม่ช่ยปกติ ก็แสดงว่าเสด็จย้อนกลับมาอีกย้อนกลับันที่กลุ่มราชสุดฤกษ์ถ้าทำไม่สามารถทำมอย่างนั้นก็ไม่สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องของพระกัตริทั้งสองได้แล้วคงเสด็จไปที่เมืองไผ่สลีตอนหนึ่งไปประทับอยู่ที่กูตาคารศลาปามาวันตรงนี้ประทับบ่อยมีประศูน์เกิดขึ้นบ่อยๆประสูนย์ใหญ่ใหญ่เช่นหมาไปหมาสุด มาสมัยยุูดเนี่ยครเกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเป็นนั้นมากที่เกิดขึ้นที่นี้แต่ที่นี้อกูตาคารสาลาเนี่ยป่ามหาวันมันมีอยู่สองแห่งนแห่งหนึ่งอยู่ที่กรุงกบิลพัฒน์แห่งหนึ่งอยู่ที่บบพยายซาลีท่าบอกว่าแห่งหนึ่งเป็น ป, ป่าปลูกแห่งหนึ่งเป็นป่าธรรมชาติ เรแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าแห่งยุคสมัยว่าสมัยพุทธกาลเองก็มีการปลูกป่าละก็ถกายเป็นอุทยานขนาดใหญ่ทอดไปตามเชิงเขาหิมาลัยเป็นที่เสด็จประทับบอดตอนนั้นก็เสด็จประทับอยู่ที่กุตาคารสลาสวยพระตาหารแล้วก็ห้ประนุนตามเสด็จไปที่ บอาวาละเอียดดีถึงก็หมายความว่าวันนั้นก็ต้องเป็นวันศุครับแล้วก็รับสั่งถึงความรื่นรมของเจดีทั้งหลายในเมืองพายาลีแล้วก็รับสั่งถึงอิธิบาตทั้งกล่วกวาวแเราจะนัอิธิบาทเนี่ยที่จริงไปเป็นธรรมะหลักแล้วก็ใช้ทุกเรื่อ ง, งเราจะประสบความสมําเร็จในเรื่องอะไรก็ตามแม้เขาไม่รู้ว่าพรรษาบารีนี้ได้คอยยังไง แต่มันเมื่อมองดูถึงหลักการวิธีการต่างๆที่ทำให้เขาผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้มันก็ประยุติ้วยหลักของอิทธิบาททั้งสีประการคือฉันทะก็ต้องมีความพอใจในภารกิจการงานเหล่านั้นจะเป็นการศึกษาแล้วเรียนการปฏิบัติธุระหน้าที่การทำการงานอะไรก็ตามมันต้องอาศัยฉันทะ ที่ใน่อน ท, นท่านพระจะเกิดมันต้องมีวิบังคาคือใช้ปัญญาสวจสอบกันรองพิจิตรพิจนามองหน้ามองหลังมองเหตุมองผลอะไรต่างๆไปแล้วคือรอบเทียบก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จออกพนวดและเย็นอาการของกิธิบาตภายในพระไถยของพระองค์มีความชัดเจนตั้งแต่นอนแหละตอนเห็นเทวทูตทั้งสี แล้วก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยวิมังษาเป็นลักษณะของปัญญาคือมองสิ่งทั้งหลายจากสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏลักษณะการมองเนี่ยสมองย้อนอดีตด้วยนะมองไปสู่อนาคตด้วยมองไปมงมามันกลายเป็นวงกลมปรากฏว่าสรรพชีวิตก็เกิดแก่ตายเกิดแก่ตายก็มนๆก็อยู่อย่างนี้ในที่สุดก็ ทรงมีความพอพระทยที่จะนำาพรอง์ให้หลุดรอดจากแต่วัตถาจักรตรงนี้เกิดแก่ตายโดยมุ่งไปสู่ความไม่เกิดในครั้งแรกเพราะถ้าไม่เกิดก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ใ น, นที่สุดสัตยรู้ก็เห็นว่าความเกิดมเป็นผลความเกิดเองก็มาจากองค์ประกอบหลักสองประการคือกิเลกกับกรรม ใช้คำว่าวิชากระสังขารก็ทำให้ปรุงเกิดตรงนี้เราจะเห็นว่าวิริยะเนี่ยจะต่อเนื่องมากแล้วก็จิตตะมีพระทัยมุ่งมั่นมากแต่ละข้อที่เข้าไปสัมผัสเนี่ยมันจะมีความเพียรสูงเป็นพิเศษแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงเป็นพิเศษในขณนะเดียวกันก็ตรวจสอบอยู่ตลอด ยืมังษาตรวจสอบตลอดพอเห็นพาเห็นว่าอะไรไม่ได้เรื่องมันก็ปล่อยฉันทะาตรงนั้นแต่วไปใช้ปัญญาพิาาจารณาใหม่แต่เราเห็นอาการหมุนวนของอิทธิบาตทั้งสี่ประการว่าหนุนเรื่องกันไปตลอดแนแต่การปฏิบัติภารกิจการงานหลังที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็ดแล้วเนี่ยฮะทงดำเนินไปบนเส้นทางแห่งพุทธเจริยาสามประการ มันก็เป็นเรื่องของฉันทะวิยะกิตตวิมังสาแลวเราจะเห็นว่าวิมังสาก็จะอยู่ข้างหน้าปัจจุเสวะะเตกะเลพระภาพระเผยวิโลกนางคือใช้พระจักสุที่เป็นลิปแล้วก็ปัญญาจักสุพุทธจักสุนดูสองดูโลกใครปรากฏในข่ายพยานของพระองค์ก็เกิดฉันทะ ที่จะเสด็จไปโปรดก็เกิดวิริยะดําเนินการในการโปรดคนตัว น, นั้นหรือความมุ่งมั่นไปสู่ผลที่คนตั น, นั้นจะประสบแล้วคนที่รับฟังธรรมะอากปรุงเองก็ต้องหมุนไปในกระแสของอิทธิบาททั้งสีประการเพราะพอมาเราเอาอิทธิบาทเป็นตัวตั้งนะเรามาเทียบเคียงกับเราในประจิตใจปรากฏว่าไม่เข้มแข็ง คือมีลักษณะอ่อนแอฉันทาก็ไม่แก่กล้าไม่ต่อเนื่องวิทยาก็ไม่ต่อเนื่องจิตตะก็ขาดความต่อเ น, นื่อนงะวิบังคาไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้ปัญญาพิจารณาสดสองอูมองสิ่งต่างๆในแง่มุมของปัญหาสาเหตุของปัญหาแตการไม่มีปัญหาวิธีการหลักการวิธีการในการดับปัญหาเนี่ยเราไม่เคยมอง ท่วนก่อนในรายการเนี้จะว่าเป็นรายการวันอังคารที่พระนิมนต์มาให้ตอบปัญหาสดมาสังเกตมานานว่าปัญหานี่จะมากือตรเรดเที่ยวกับเวลา45สห้านาทีบางครั้งมีปัญหาถึงสี่สิห้าข้อก็แสดงว่ามีสมาชิกคนฟังอยู่เยอะ แต่ว่าปัญหาที่ค่อนข้างซ้ําก็คือปัญหาเรื่องอพระบิณฑบาตแล้วก็ไปให้พรเขาบางทีก็ให้ก่อนที่จะตักบาตรบางทีก็ให้ขณะพระตักบาตรบางทีก็หลังจะตักบาตรึ่งก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็ให้พรเกิตเกินผลไปนะฮะในเงินทองไรลมาเทมาเนี่ยพระนี่ชอบพูดมากใ้เงินทองไหลมาเทมาเนี่ยอมจากไหนด้วย มาจากไหนไหลก็ไม่รู้แล้วก็ปัญหาเรื่องพระบินทบาทเวลามีเขาตักเป็นซองเป็นเงินเนี่ยกิริยาบทไม่เรียบร้อยหรือจะเข้าไปเปกียงกำ บ, บังรับบาตรอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าที่หนึ่งเขาออกมาเขามีเงินเนี่ยก็อถอยออกไปรับที่อื่นไปรับที่มีเงิน เ, นเนาการกิริยา ท, ที่ไม่เหมาะ ในหมอกไม่ควรนะ่นะก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างถามมากแต่พอเรามาพิจารณาดูนะฮะตลอดถึงเรื่องคำสอนที่มันขัดแย้งกันเองขัดแย้งกันเองว่าที่ก็มาถามบางทีเนี่ยเราก็งงนะว่าทออ่านเหล่านี้ไปเรียนมาจากไหนไปเอาอะไรมาพูดมงมองดูเออตรงนี้ที่จริงเนี่ยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นึ่ให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของมาเทสสมาคมมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องแห่งประไัยบิดกีมีหน้าที่รักษารักษาพยัญชนะอัถะของประไัยบิดกไปแ้มองไปมองมาเ อ, อ่ยยังไม่ทำไงงานนี้ยังไม่มีนั่นแสดงเห็นว่าเราก็ขาดวิบังสาขาดฉันทะขาดวิยะขาดจิตะขาดวิบังสา งานพระพุทธศาสนาที่เป็นปรหาหะก็เป็นปราหะทั้งศา ส, าสา์เกิดแล้วเกิดอีกทีนี้อิทธิบาทนี้ประชงแสดงดูเรื่อยนะเพราะมันอยู่ในกลุ่มของโพธิปัฏฐานสามที่เจ็ดนะสติปทานทีสมมติปทานทีอิทธิบาทสี่สี่ห้าพละห้าพุทงเจ็ดมัมีองค์แปดกอสรุปแล้วก็คือใจสิกานะแต่ว่าเป็นโบหารในการแสดง ทีนี้พอมาถึงตรงนี้ก็มาเน้นที่เห็นว่าเอาก็จริงอิทธิบาต ท, ที่บุคคลปฏิบัติคำที่ทรงใช้เนี่ยเป็นเรื่องน่าคิดนะว่าเจริญแล้วทำมามากแล้วทำให้เป็นดุดยานให้เป็นที่ตั้งมั่นคงแล้วสั่งสมแล้วประรกดีแล้วถ้าหวังอยู่ประยค ตรงนี้ที่จริงทงใช้ทุกก ร, รณีแค่ในกรณีของศีลเนี่ยไม่ค่อยปรากฏบอก่อนแต่ว่าใช้กรณีสมาธิเนี่ยจะใช้มากอบรมก็ทําให้มากกระทาบอ่อนๆกระทําเป็นดูดยาอะลรเนี่ยคือจะมีคําเหล่านี้บอ่อยๆวันระดับสมะถะวิปัสนาเนี่ยจะมีคําเหล่านี้บอ่อยดเราต้องหากว่าขาดความต่อเนื่องเนี่ยกิเลสมันแทรกได้ทันทีในความส ต, ติเราขาดอย่กิเลกก็แทกรกกระโผลมาเลย ตอาเทียบแล้วทำนองคล้ายๆกับคนขับรถที่ค่อนข้้งเร็วเนี่ยถ้าสติเกิดขาดแล้วเนี่ยอันตรายมันก็แทรกตัวเข้ามาทันทีนี่อง่กิเลส ท, ที่ต่อสู้กับธรม ร, รมะภายในจิตมนุษย์มันก็มีลักษณะอย่างนีน้วันเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นนัยยะให้พระนุนกราบคูลรัตนาให้พระองค์ดารงไปสืบอยู่ก็เป็นประเด็นที่ ก็คิดอยู่ว่ า, วาทำไมจึงต้องให้พระนนท์ไปกราบทูล น, นรัตนาคือคือคือถ้าเรามองเป็นตัดตอนเนี่ยแค่ก็ทำไม่ล่ะก็ไมมีเงื่อนไขนะฮะม่มีเงื่อนไขเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคน น, นรัตนาสองคนคนหนึ่งก็คือสามบดีพรมกราบทูล น, นรัตนาให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมที่ทรง ส, สรุปแก่โลกจะทรงรับคา ในขณะเดียวกันเมื่อสามดีพรงกลับไปแล้วเนี่ยพยามารก็กลับถูดดุรันเนี่ยคือมันทำไม่ได้เพราะว่าคำในมือเนี่ยมันขัดแย้งกันเลยก็บอกว่าให้มาในขวนขวายน้อยคือรอไปก่อนทีนี้ถ้าถ้ารอตรงเนี้ยพระองค์ก็รู้ว่าพยามารต้อง่วงฮะเพราะว่าภารกิจที่ ท, ที่ที่ส่งรับสั่งไว้เนี่ยมันเสร็จ ทีนี้ถ้าพ ร, ระานุนกับธูระัตนานิมนต์มันก็รับจากพระานุนเลยก็ต่อไปได้ต่อไปได้อีกพันธกิจที่ผูกพันกันไว้ระหว่างพระองค์กับพญามานก็จะถกเลื่อนไปก็ตกลงว่าได้ปฏิบัติตามคํารัตนานิมนต์หมดแต่ว่าพอดีพระานุนท่านไม่เข้าใจไม่เข้าใจปริยายหรือนิย่าที่ทรงประทาน ก็ไม่ได้กราบทูลในรัตนานิบนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพยาามานก็เมื่อปรากฏต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคยาวท่านบอกว่าเมื่อประนบหลีกไปแล้วไม่นานมานผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ยืนอยู่นาทีสวนส่วนครั้งหนึ่งทั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค้าว่า กาแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปนิพพานเถิดขอไปสู่โคดเจ้าสเสด็จไปนิพพานเถิดบัดนี้การนิพพานของพระผู้มีพระภาคพระภาคเจ้าเนี่ยหมายความว่าเป็นการที่ควรปนิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ทบทวนเนี่ทบทวนถึง ที่มาใช้คำว่พุทธปฏิธานแต่แน่นอนตัวนี้มันแม้แต่ท่านไม่บอกหรอกว่าเป็นพุทธปฏิธานแต่เราอ่านแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นพุทธปฏิธานคือการตั้งพระไทยเป็นรูปองศัพจปาติยานหรือทรงประทานไว้แก่แกมารว่าพระองค์จะดํารงพระชนอยู่เพื่อปฏิบัติภารกิจภารกิจสี่เรื่องต่อพุทธบริษัททั้งหลานเพราะอะไรเพราะว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยได้อุบัติขึ้นในโลกในลักษณะของเองกภพุรุตแล้วก็หน้าที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่แต่สรู้ดีแตรสรู้ชอบโดยโปรองเองเพียงอย่างเดียวจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อได้แสดงธรรมสั่งสอในให้ผู้คนอื่นได้ปฏิบัติปฏิบัติชอบด้วยแล้วก็จะสรู้ธรรมอย่างที่ปรองได้รู้ด้วย จึงจะชื่อว่าเป็นภารกิจที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่ได้ทํางานตรงนี้ก็เป็นได้เฉพาะปัิเจพระพุทธเจ้าวันท่านจึงนิยาไมไว้ว่าพระพุทธเจ้าคือท่านผู้สัจจะรู้ดีสัจจะรู้ชอบเคยปรุปงเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้สัจรูตามด้วยผนภารกิจตรงนี้ก็ทรงทำก็ถือบอกันมาเป็นเวลานาน พยามาณได้มาปรับทูลทบทวนข้อความเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ที่น่าสังเกตอ่ะยังนึกว่าเรามือไม่ได้ถึงนะเราสืบทอดศาสนามาจากพระพุทธเจ้าแต่ว่ามือมันห่างกันเลยกันมือในการดูแลรักษาศาสนามันห่างกันมนาะแล้วนานเราจะเกิดคนเด่นขึ้นมาสักคนนึง แล้วก็กลายเป็นเครื่องกระทกฝังไปอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเราลองสังเกตว่าระดับนักปราชในทางศาสนาแล้วก็มีประบาทสนเด็ระจอมกลาก้าจะอยู่หัวต่อจากนั้นมาก็มีสมเด็จพระมหาสมาเจา้ากรมพระยาวิชยานมูุรถต่อจากนั้นถ้าเราเทียบเคียงกับ สำเร็จความหน้าแล้วไม่มีใครมือถึงแล้วอาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะรับผิดชอบอย่างนั้นก็ได้นะคนอาจจะมือถึงอาจจะใจถึงอาจจะเข้าถึงแต่ว่าฐานะตำแหน่งเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ เรเรียกว่าไม่มีสนามจะเล่นนักกีฬาที่เก่งมากแต่ว่าไม่มีสนามจะเล่นมันก็เล่นไม่ได้เพนั้นภารกิจของพระศาสนาเนี่ยอยู่เท่าที่ดูมาเราจะพบว่ามันคล้ายๆกับแผ่วลงหลังจะยุคสมเด็จประมาณสมณะจามานี่แต่ถ้าพูดถึงปริมาณเนี่ย ก็เพิ่งขึ้นนะรูปแบบในความหลากหลายขึ้นเพราะว่าเทคโน โ, โลยีเขมามีส่วนร่วมอยู่ด้วย mm. ก็วนก่อนมาิทไรศรีปทุมกับพลเอกเจรีภุกมานในการสนับสนุนมาทำซ d วิถีทางแห่งความเป็นมนุษย์พอทำไปแล้วก็มาคิดเออมันก็วิธีเผยแผ่แบบนี้เข่าที นะเพราะว่าคนนั่งในรถก็ฟังได้หรือไม่ต้องอ่านนะคนตาไม่ดีก็ฟังได้คนตาบอดก็ฟังได้มันมีกลุ่มเป้าหมายที่กระจายออกไปจะทำให้เกิดแนวคิดว่าน่าจะน่าจะทำในลักษณะนี้สักอย่างหนึ่งแต่ว่าควรจะกระจายประสมควรจะเป็นประโยชน์คือกลุ่ต่อประชาชนที่สนใจนะ แต่ว่าการที่จะเกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยเขาควรแสดงความจำนวหรือถ้าเขาไม่แสดงความจำนวแจกดะไปเนี่ยมันเสี่ยงเหมือนกันคือจะกลายเป็นของไม่มีค่านะเพราะว่าโบราณท่านว่าทรัพย์สินที่อยู่ในมือคนอื่นสามีพัญญาที่ไม่อยู่บ้านคำพีที่อยู่ในตู้เนี่ยมีก็เหมือนไม่มี ผลก็อยู่ในซีดีก็เหมือนกันมีนก็เหมือนกับไม่มีทําไมสนใจที่จะฟังแต่สรุปว่าเป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าอีกแนวหนึ่งที่ช่วยในการเผยแพร่เฉพางแต่ว่าถ้ามีการเสนอไม่มีการสนองมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะการเผยแผร่ธรรมะเนี่ยที่จริงมีลักษณะคล้ยๆกับฝนตก หรือถ้าคนมีพัฒนาแต่ไม่ได้เตรียมตอนรับผล น, น้ำผลไว้เนี่ยมันก็เก็บน้ำไว้ไม่ได้ทำไมยังก็มีลักษณะอย่างนั้นราวนันพระพุทธปนิธานที่ส่งตั้งไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะน่าทำความเข้าใจว่าสมมุติหมายอยู่ที่อะไรบ้างประการแรกด้รับสั่งว่าลูกก่อนมานผู้มีบาปภิกษุนะที่ ที่จริงข้อความจะทำนะพิกษุภิกษูณีอุบาสกบาสิกาผู้เป็นสาวกของเราประการแรกคือยังไม่จักยังไม่เป็นผู้สละเราะันเป็นภารกิจของพระองค์ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่พุทธบริษัททั้งสี่ในพระสูตนีจ้จะจะบอกซ้ํากันเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวประธานแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยทั้งสี่กลุ่ม แต่เราก็มองโดยสรุปว่าสรัท่าที่พระเจ้าทรงมุ่งหวังจริงๆที่เป็นภูตเป็ น, นิธานในทรงตั้งไว้เนี่ยในชั้นแรกก็คือถ้ายังไม่ฉลาดเนี่ยพระองค์จะไม่ได้ผานคนสี่ที่ว่าพรรษาที่ทรงระบกุศลอยู่เนี่ยพระษาวก็ฉลาดปรากเพลิงเยอะเก่งเกเยอะเก่งมากๆด้วยพระองค์่งมากๆแต่ยังมองว่า เรื่องมันคงหายไปเยอะที่ไม่ได้จดบันทึกเอไาไว้เพราะเราดูท่านเก้าสิบรูปแรกเนี่ยผลงานคงเยอะแต่ว่าที่ปรากฏจริงจริงนีน้อยก็ทำงานแบบพระอาหารหันต์ไม่ยึดมั่นถึงมั่นในอะไรทั้งหมดแล้วผลงานที่จริงเราเนี่ยควรจะอยู่ควรจะศึกษาเรียนรู้ถึง วิธีการของท่านเพราะการเผยแผ่ศาสนาของท่านเนี่ยเผยแพร่กับคนทึ่งไม่มีศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาหรือนับถือศาสนาอื่นแต่ท่านก็ทําเสมอซึ่งแต่ละจุดเป็นเรื่องยากขนาะดเราพูดกับชาวพูดด้วยกันยังไม่เคยรู้เรื่องเลยแต่ว่าท่านสมัยนั้นเนี่ยท่าไม่ได้พูดกับชาวพูดนะพูดกับคนนับถือศาสนาอะไรกันไม่รู้ แล้วบางทีก็เป็นศาสนาที่เป็นปฏิปักษกับพระพุทธศาสนาด้วยซ้ําท่านก็ทํา ง, ง, งานประสบความสำเร็จแสดงว่าเก่งกาจมากไม่รับการแนะนําหมายความมันยังไม่มีการศึกษาเรียนรู้ไม่รการแนะนําในทางนี้ถูกต้องคือทั้งแนะทั้งนําให้ลองสังเกตว่าแนะนำเนี่ยสำคัญมากคือแนะเนี่ยได้แก่การชี้บอกโดยวิธีการต่างๆ นำก็คือนำในการศึกษานำในการประพฤติปฏิบัตินำในการสัมผัสผลนำในการเผยแผ่นำในการทำงานรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาถ้าเต็มรูปอย่างนี้ที่จริงจะมีคนตามยากคนที่จะตามเนี่ยจะมีน้อยลักษณะโครงสร้างของสังคมสังคมพูดเราโดยเฉพาะประเทศไทย เราจเจนว่าชาวบ้านเองก็ต้องการให้พระอยู่เบียบๆเฉยๆไม่ต้องการให้ทําอะไรนะเสร็จแล้วกลุ่มหนึ่งพอเห็นพระไม่ทําอะไรก็ด่านะแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยยิงกยียาให้พระอยู่เฉยๆคือไม่รู้ไม่รู้จะมีพระไว้ทําอะไรเหมือนกันหรือจับทิศทางไม่คได้เพราะเราไม่ค่อยรารบเรื่องเหล่านี้กัน ไม่ค่อยตั้งวงคุยกันไม่ต้องไม่มีกำหนดเป็นแผนเป็นนโยบายเป็นเป้าหมายเป็นอะไรอะไรนี่โดยเฉยาะอย่างยี่คือการสืบสารหลักการวิธีการปฏิบัติการของพระพุทธเจ้าเราขาดไปเยอะในเบ็ดวง้องความเป็นเจ้าพุทธโดยเจนว่ายังไม่รับคำแนะนำนี่มันมนีมาก แล้วพอเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นโดยเฉพาะพวกอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะฮะพวกปัญหาจากรการเยอะๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมืองพุดแต่เราขอให้พระพุทธศาสนาศาสนาจำชาติไม่ยอมแล้วก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด ก, การถึกษาส่งเสริมาศาสนาศีลธรรมก็ไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมนะฮะแต่พอพอไม่ดีนี่จะโยนนะรัพอมีจะโยนให้ให้เป็นพระพุทธศาสนาทุี พุทธศาสนาเป็นศาสนาชี้นำความถูกต้องนะครับพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดอาชญา ก, กรรมพุทธศาสนาเป็นหลักการวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติแล้วก็เช่นทางประวัติศาสตร์เนี่ยพิสูจตัวเองมาตลอดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติทุกข้อทุกกระทงความอย่างวันก่อนที่พูดเรื่อง มนุสสีธรรมคือธรรมะที่ทําคนให้เป็นมนุษย์เนี่ยคือเป็นกระจายย่อยออกไปแต่นั้นเองแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากความเห็นชอบเพียงข้อเดียวหรือถ้าใจมนุษย์เห็นชอบตามทํามนองครองธรรมแล้วนี่อาญากรรมมันไม่เกิดโดยธรรมชาติเลยเพราะจิตอยู่เหนืออาญากรรมเราคิดแนวอาญากรรมเป็นความคิดที่บกพร่องเป็นความคิดของคนที่ไม่รู้บาป บ, บุญคุณโทษ ไม่รู้อะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้โทษของกิเลสไม่รู้โทษของบาปกรรมไม่รู้โทษของนรกว่าทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยเวลาเกิดผลแก่เธอเมันจะไม่คุ้มอะไรเลยกับทุนที่ลงไปแต่ว่าคนที่ไม่รับการแนะนำมันเยอะมากอย่างนนาในบ้านในเมืองเราเราลองสังเกตว่าคุมทีผมก็พอใจเหนกัาายยนนะ อย่างรายการที่ามาบญญารรยายอบรมอยู่ที่ตึกสวรธรรมนิเวศเนีทั้งตั้งแต่ 7. หนึ่งเจ็ดวันอาทิตย์นี่ทำมาตั้งแต่หนึ่งเจ็ดวันเสาร์นี่ทำมาตั้งแต่สองหนึ่งก็สละตัวเองไม่รับนิมนอะไรเลยนะก็อยู่บญญรรยายอบรมญาติโยมญาติโยมก็ไม่เพิ่มนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับลดมากไปอยู่ในระดับนั้นเนะ แต่ที่สำคัญอย่างนี้คือซ้ำแสดงว่าคนที่สนใจจริงๆเนี่ยมันเกาะกลุ่มอยู่เพียงเล็กน้อยไม่มากแต่ลักษณะเหล่านี้ปรากฏปรากฏมานานามาก็อยู่กรุงเทพมาต่อยี่สิบกว่าปีเนะี่ยแต่บรรยายไปเทศที่ไหนในในใ น, ในกรุงเทพถ้าเป็นการทั่วไปแล้วเราจะเจอคนในเราคุ้นหน้าเนี่ยมีจานวนหนึ่งจะเรียกว่า ไม่น้อยกว่าสามสิเปอร์เซ็นตคุ้นๆหน้าอาจจะไม่เคยพบบ่อยๆแต่ว่าเคยพบแสดงว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มากคนรับการยังไม่รับการแนะนำนะก็เยอะทีนี้พอไม่รู้เนี่ยไม่ถึงความกล้ากล้าเพราะนพระพุทธเจ้าต้องการให้สาวกของพระองค์มีความกล้าก้ากล้าคืออะไรคือว่ากลัวในเรื่องที่ควรกลัวกล้าในเรื่องที่ควรกล้ากล้าในการทาความดี ในการพูดดีคิดดีทําดีกลัวในเรื่องทาทั่วพูดทั่วคิดชั่วไม่จะกลัวอย่างอืไม่จะกลัวอะไรจากข้างนอกแต่เราไปนเน้นที่กลัวอะไรจากข้างนอกมากเกินไปเห็นว่ากลัวตายอย่างไงกลัวอันตรายอยากคนนั่นคนนี้พวกนั้นพวกนี้เกิดมาในโลกมนุษย์นะี่นะกลัวมนุษย์ไม่รู้จะเกิดมาทําอะไระมันก็อยู่ไปคือว่า มีอันตรายหรือไม่มีอันตรายคนเราก็ต้องตายแล้วแต่ว่าความกลัวที่ไม่สร้างบันนานะ่ะคือกลัวบาปแล้วก็ใช้ฮิริโอุตระเป็นเรื่นใจเป็นหลักใจทีนี้คนถ้ากลัวบาปไม่มีบาปจะไปในใจมันจะกล้าหาญมันจะหนักแน่นจะมั่นคงจะไม่หวั่นไหวจะองค์อาจ จะเข้าไปในสมาคมใดก็ไม่ประวันพลันพึงจะถูกโยดถูกท้วงถูกมองด้วยความรังเกียจหรือด้วยความระแวงด้วยความสงสัยเนี่ยเราก็ไม่หวั่นไหวอะไระเข้าไปในสมาคมใดกัวองอาจราหารเขาเรียกวิสาระท่าคือองอาจราหารประการต่อไปนั้นยังไม่ถึงความเกษมจากโยคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเป็นเนื้อหานะ เป็นเนื้อหาจริงๆเนี่ยตัวนี้คือบริสุทธิ์จากกิเลสพระไรพระโยคาเนี่ยทิงหมดแล้วสรุปรวมกิเลสไว้ทั้งหมดลแล้วอาจจะเจอคําหลอกอื่นอาจจะเจออุปาทานอาจจะเจออาสวะอาจจะเจอกรัรมถะอาจจะเจออยู่ไอ้สังโยชตอาจจะเจออนุสัยก็ช่างอนี่ยเจอโรคปวดหลงอาจจะเจอโลคอย่างเดียวปวดอย่างเดียวหลงอย่างเดียวเจอเจอตัณหาอะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดที่จริงกิเลส เป็นการเรียกอาการของกิเลส ท, ที่แสดงออกในขณะนั้นนั้นชื่อนี่เป็นเป็นการเรียกในกิเลสมันไม่รู้มันชื่ออย่างนั้นนะั่นนะตั้งชื่อเรียกกันอาการอย่างเงี้ยเป็นอาการของโยคะโยคะก็คือประกอบหรือขังสัตว์ไว้มล้ก็มีมีกาม กามก็คือความใคร่ความปรารถนาความพอใจความกำหนัดเพิดเพินชื่นชมยิน ด, ดีในรมทั้งหลายแล้วก็พระโอคะโคะคือพบคือความต้องการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นเป็ น, ยนเยอะเลยมันก็แปลกอะ่ะพวกภาวัตนานี่ก็แปลกคืบางทีเราก็อยากเป็นแล้วก็ประรบการเป็นเวลาเนี้ยเวลาเจอเนี่ย เอ๊ะปี A นี้นึกว่าเลื่อนเลื่อนหรือเปล่าเลื่อนเป็นชั้นธรรมหรืรเรรเรรอเปล่าเอ๊ะทำไมไปสนใจเรื่องเรื่องรายสารอย่า ง, งคือความเป็นของเรามันไม่จําเป็นที่จะต้องคนอื่นแต่งตั้งวิธีพูดเนี่ยเราต้องแต่งตั้งเราเองนะฮะเป็นความเป็นที่ดีงามอันนี้คือเราลืมคิดไปว่าเราต้องการในคนอื่นแต่งตั้งอย่าลืมมาคนอื่นแต่งตั้งในเขาถอดเราได้แต่ถ้าเราแต่งตั้งเราเองเนี่ยเขาถอดเราไม่ได้เราทําตนเป็นคนดีเนี่ย อันนี้คือเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระของความเป็นคนที่เกิดมาเป็นคนไม่ใช่ว่าเขาแต่งสร้างยศนั้นยศชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนู้ น, น, น, นเป็นอย่างนั้นมันตอ น, นํามาเป็นชั้นราชราช ธ, ธรรมีเทศเี่ยพัดมันเก่าจแล้วก็พอบวชจะใช้พัดตามปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแล้วก็ซิบบอกเพื่อนอันนี้พัดผีคนตายแล้วตายเมื่อกี้ศพแล้วไม่รู้มันถึงเราเนี่ยเราก็ตายต่อไป มันแนวแนวเนี่ยมันมีลักษณะบางทีก็เรียกพัดผันมันเป็นโอคาคือเป็นห่วงน้ำที่พัดหมุนคนไปแล้วคนจะไม่ค่อยมีความคิดไม่มีสติแล้วบางทีมันเป็นแฟชั่นอะไรนะเพื่อเป็นเกียรติประวัติของวงส์สกุลนั่นคือแรงของภวะต่าหาที่มันปรุงแต่งแล้วก็เรียกร้องกัน ของคาวาสเขาเขียนไว้ยังไงยังไม่เคยอ่านนะแต่ของพระนี่จำได้มันเป็นภาวะขัดแย้งที่กระจุงไปจิงจนหน้าเอ็นดูคือสมณศักดิ์เนี่ยเขาตั้งให้ทำงานนะแต่บางทีเนี่ยคนที่รับสมณศักดิ์เนี่ยนั่งรถเข็นมานะบางคนก็มารับไม่ได้นอนในบนญจียบางทีก็มีอะไรล่ะให้น้ำเกลือน้ํายากันอยู่ในสายระ ย, ยงอย่างเต็มเนยเลื่อนสมาศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติทุกสิทธิ์ก็วิ่งเต้นนี้แต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันขัดแย้งกั น, เ, นเพราะในประกาศเนี่ยในคำประกาศท่านบอกว่าขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์อนุพรบไปภิกษุสามเณรในพระอารามโดยควรเทิดอเรื่องใหญ่เลยเนะ ภารกิจที่หนักอึ้งเลยถ้าเราทําตามที่ราษนานะแล้วลงพระป harma วิทยมามาตาสามดวงด้วยแล้วก็มีนายกบัญชีสนองพระบรมราชองการด้วยยังนึกเออภาวะระหนาสนี่สำคัญแล้วก็เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่ามันมาจากโมหะเป็นเป็นความมืดบอดเป็นความมืดบ อ, อ ด, บอนอดบอในเชิงเหตุผลเพราะน้ำกามก็ดีพบก็ดีเนี่ยมันจะมืดบอดในเชิงเหตุผล แล้วที่โถคาโอคคือทิตทิติก็คือความเห็นที่ถือรันปักใจฟังใจยึดมั่นถือมั่นอย่างเนี้ยถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องความต้องการแก่ความเห็นของตัวเองบางครั้งบางคราวเนี่ยเอาบ้านเอาเมืองไปเสี่ยงโดยความเห็นของคนของคนเพียงเพยงไม่กี่คนนะ แม้ยังเหตุการณ์ภาคกายถ้าเราตามแถวสีสี่เนี่ยจะเห็นว่ามีนายตำรวจคนหนึ่งพูดสัมภาษณ์ออกขึ้นไออกโทรทัดเนี่นบเหตุการณ์ประเทมีอะไรผู้ก่อการร้ายมีห้ากสิบคนลำพังตำรวจจัดการได้ไม่กี่วันอันนี้สี่เจ็ดแล้วนะขึ้นสีแปดแล้วจัดการไม่ได้เลยนี่คือคืออะไรอะ คือเป็นลักษณะของคนที่เข้าใจว่าความเห็นของตัวเองถูกต้องแล้วก็หมายความว่าไม่รู้ด้วยไม่รู้เรื่องด้วยนะแล้วก็พูดแล้วก็ผลไม่ได้รับยิชชอบไม่ได้พอปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องชาวไทยก็ตายกันเยอะทั้งมุสลิมก็ตายกันเยอะ นั่นก็คือคือเราเห็นอาการที่ผิดคือความเห็นเพรคนเกาะกลุ่มได้แล้วกลายเป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะมาจากอาวิชชาอวิโชคะโยคะหอวิชชาอาวิชชาเขาเรียกวิชาโยคนะนาบิโชคะอวิชาโยคะเป็นเป็นความมืดบอดในด้านเหตุผลในด้านการใช้สติปัญญาเพราะในการเกษมจากโยคะเนี่ย เกษมคือปลอดสะจ่ะมันไม่มีมันเป็นบริสุทธิ์ที่คุณแต่เราอย่าลืมมันก็มีวิชาอยู่ด้วยมีวิชาอยู่ด้วยแล้วก็มีพบอยู่ด้วยคนที่จะทําลายตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยมีเฉพาะพราหันต์เท่านั้นอย่าวพวกเราก็ลดความเข้มค้นลงไปทำเนี่ยว่าลดกามลงลดความเข้มข้นของกามลงลดความเข้มข้นของความอยากเป็นลงแล้วก็ลดความเข้มข้นของทิฏฐิลง ก็เรายังไม่รู้อะไรจริงล่ะเราก็จับหลักเราไปใช้ศรัทธานำใช่บ้างอย่าไปใช้ทิฏฐิคือความคิดเห็นของตัวเองบางทีอยาวันก่อนมีคนถามว่าทํำไมเรียนบาลีไปทําไมผมมาจากเชียงใหม่ไม่เห็นบาลีสักคำเลแกไม่รู้บาหลีคืออะไรยังไม่ขามว่าเอ้คนนั้นเป็นยังไงก็ชอบพูดแรยคือไม่เข้าใจเรื่องอะไรเลยนะฮะที่ที่ที่พูดอย่างนั้นขอให้ได้ด่าขอให้มีส่วนร่วมในการด่าอะไรกัน นี่เป็นเรื่องที่ ท, ที่แสดงเห็นเรื่งอวิชาเนะี่ยมันก็ขอให้เกิดเป็นทิฏฐิคือความเห็นแล้วแกเข้าใจความเห็นนั้นก็นถูกโยไม่รู้ว่าแกอาจจะมีชื่อเป็นบาลีก็ได้พอดีวันนั้นวิทยากรในห้องทั้งหมดเนี่ชื่อเป็นบาลีทั้งนั้นเลยแล้วก็ที่รับโทรศัพท์อยู่ข้างนอกอีกคนหนึ่งก็ชื่อเป็นบาลียังนึกคำอยู่เลยแล้วแกก็ไม่เข้าใจว่าบาลีนี่คืออะไรนั้นพวกนี้มึงก็อยู่ด้วยกันตัวนี้จึงเป็นภารกิจ ที่เราจะต้องต่อสู้กันตลอดชีวิตแต่จริงเขาก็คือพวกสมุทัยสั์ที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์สารพัดที่เกิดขึ้นในโลกเจ้าฝังเ ท, ท่ า, า, า, ทายสิ่งธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเท็งเทมิทที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไพยบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟัง ท, าท่าไรด้ท่ากันสวัสดี